ที่กล่าวถึงลักษณะของปุถุชนโดยประการต่างๆที่บอกว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้พบไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะแล้วก็ไม่ได้รับคำแนะนำคำว่าแนะนำในที่นี้หมายถึงวินัยเรียกว่าไม่มีวินัยของพระอริยะ คือไม่มีธรรมะของพระอริยะเหมงอนกันไม่ได้พบสัตว์บรุษทั้งหลายแล้วก็ไม่ฉลาดในธรรมะของสัตว์บรุษไม่ได้รับคำแนะนําในธรรมะของสัตว์บรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมานสิกานี่นนะคือไม่รู้ว่าอะไรควรคิดไม่ควรคิดอะไรควรนึกไม่ควรนึกนั่นนะท่นมานสิการเจตสิกก็เกิดร่วมกับจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้น ถ้าสำนวนเราก็คือบอกว่าไปคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดอะเรื่องที่ควรคิดก็ไม่ไปคิดเนี่ like. เพราะฉะนั้นไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควนมนรมานสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมานสิการเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควนมนรมานสิการย่อมมานสิการถึงธรรมะที่ไม่ควนมนรมานสิการไม่มานสิการถึงธรรมะที่ควนมนรมานสิการ อะไรควรคิดไม่ควรคิดก็ก็ไม่รู้ว่างั้นเถอะโดยที่จริงแล้วในการเกี่ยวข้องรับอารมณ์แต่ละครั้งของเราที่จริงนะเราก็มีอารมณ์นั้นๆอยู่ตลอดนั่นแหละแต่เมื่อรับอารมณ์แล้วเราคิดอย่างไรกับอารมณ์นั้นเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็จะคิดไปไปเองเลยนะว่าเมื่อเห็นแล้วเราคิดยังไงควรจะคิดอย่างไร ในอารมณ์นั้นๆเนี่ยของพระเนี่ยเดินดูแต่พื้นมาก เ, เดินจงกรมกว่าเดินดูดินนั่นแหละก็เห็นเอ๊ะรักธรรมมนาสิกานแบบควรมานาสิกานมนาสิกานอย่างไรใช่ไหมคือยังไงก็นั่งก็เหมือนกับอ่านหนังสือก็คิดตามหนังสือใช่ไหมถ้าหากว่านั่งดูพืนเฉยๆนั่งดูโต๊ะเฉยๆเนี่ยนั่งนั่งทํำยังไงเนี่ยควรมานาสิกานอย่างไร ควรใส่ใจอย่างไรคือถ้าบอกว่าไม่ต้องมนุษย์การอะไรทักอย่างถามมันทําได้ไหมละ่ะมีใครทําได้หรอกในโลกนี้นั่งเฉยเฉยโดยที่ไม่คิดเลยนะถ้าคนทําตัวนั่งเฉยเฉยได้โดยที่ไม่ต้องคิดเนี่ยเว้นแต่พระที่เข้านิโรธสมาบัติท่านนั่งเฉยเฉยไม่คิดสักอย่างไม่มีจิตเลยแต่ธรรมชาติของจิตทุกดวงแล้วคิดหรือรู้อารมณ์ต้องรู้หมดอ่า ถ้าหากว่าทวิปัญจ์เนี่ยไม่มีวิตกวิจารมันมีการตรึกการตรองอะไรสักอย่างจิตที่เหลือนี่คิดนึกหมดเลยเนี่ยนะแต่ว่าการคิดนึกจริงๆแล้วส่วนที่ละเอียดเนี่ยก็คือไอนะ้มโนทวานเนี่ยนะมโนทวานเฉพาะปัญจทวานเนี่ยก็มันล่วงมาเป็นกรรมไม่ได้ล่วงมาเป็นกายกรรมมจีกรรมไม่ได้มโนปัญจทวานวิถีล่วงเฉพาะมโนทวานเนี่ยนะเป็นกรรมทางมโนทวาน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 ต้นไม้นั้นก็คงจะดีเนาะอย่างเงี้ยก็คุยแต่เรื่องแผ่นดินกันอะนะปฐวีกระถางงั้นนะพระองค์บอกว่าธรรมดาภิกษุไม่ควรมนานสิกา ร, รแบบนั้นควรมนานสิการแผ่นดินภายในเนีย่ยนะควรมนานสิกา ร, ร ม, มหาภูต ร, รูปที่อยู่ภายในเนี่ยนะปฐวีธาตุที่อยู่ในภายในเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่ามนานสิกา ร, รปฐวีธาตุภายนอกมากๆเนีย่ยนะมันก็ไปอย่างอื่นแล้วคือเป็นวิชาแบบทางโลกซะส่วนใหญ่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 ศาสตราจารย์คนหนึ่งก็พูดดีนะบอกในฐานะที่ผมเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยผมก็ไม่ควรที่จะอยู่แค่ระดับทำมาหากินผมน่าจะมีโลกกว้างทางความคิดอะไรแบบนี้นะดรระวีภาวีไลน์นแหละแกพูดดีมากกันหลายเรื่องเพราะทําให้เห็นว่าความคิดของเรานั้นก็ไม่ควรที่จะมีมีความนึกคิดแค่ว่าทํายังไงเพื่อปากท้องเท่านั้นไม่ควรจะหยุดอยู่เท่านั้นหรือก็ไม่ควรที่จะสแสวงหากร ม, มาสุขโดยส่วนเดียว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 ซึ่งท่านอธิบายในอัตกถาว่ า, าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะทรงกระทาให้แจ้งซึ่งบทเหล่านั้นโดยลำดักจึงทรงตั้งปัญหาว่าภิกูุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนาที่ควรละด้วยทัศนะดังนี้แล้วนะก็ทรงเริ่มเทสนาอันเป็นปุขลาทิฐานว่าคือเทสนาของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่คือปุคลาทิฐานกับธรร ม, มาทิฐาน บางทีเนี่ยนะปุคลาที่ฐานต่อด้วยธรรมมาที่ฐานบางทีธรรมมาที่ฐานต่อด้วยปุคลาที่ฐานเนี่ยแสดงสลับกันก็มีเห็นไหมดูกนที่สูดทั้งหลายปุทุชนผู้มิได้สดับในธรรมวินัยนี้เห็นไหอันนี้เป็นปุคลาที่ฐานนะโดยนัยดังกล่าวแล้วในมูลปริ ย, ยัจสุคำว่ามณสิกรณเยธรรมเมนปะปชาาติเขาบอกว่าย่อมไม่รู้จักธรรมะที่ควรน้อมนึก คือที่ควรนํามาพิจารณาเห็นไหมอะไรควรพิจารณาก็ไม่รู้อะไรไม่ควรพิจารณาก็ไม่รู้บทว่าอะมณ ส, สิกกรณีเยความว่าย่อมไม่รู้จักธรรมะที่ตรงกันข้ามเห็นไหมคือเอ๊ะอย่างนี้ควรใส่ใจก็ไม่ไม่ใส่ใจไม่ไม่พิจารณาก็เพราะการกําหนดโดยธรรมะว่าธรรมะเหล่านี้ควรใส่ใจธรรมะเหล่านี้ไม่ควรใส่ใจดังนี้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 วัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยให้แยกอารมณ์หรือแยกวัตถุให้แยกอะไรแยกวิญญาณเอามีสามมาบอกสามใช่ไหมหนึ่งวัตถุวิญญาณอารมณ์เขบอกว่าแยกอารมณ์หรือแยกวัตถุเอาอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมสีก็เป็นอย่างนั้นของสีตาก็เป็นอย่างนี้ของตายอยู่แล้วแต่วิถีจิตเนี่ยที่มันแยกได้นะ ไอ้ควรที่พอะคูณจริงๆคือวิธีจิตคันนี้จำแม่นเลยนะแยกแยก็แยกความคิดนะมันอย่าไปแยกอารมณ์ <c oughs> เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายที่ภิกษุใส่ใจอยู่โดยอาการใดจึงเป็นประทัดฐานแห่งการบังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมภิกษุไม่ควรทำการใส่ใจในธรรมะเหล่านั้นโดยอาการนั้นคืออารมณ์นี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะ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 ตรงนั้นแหละเป็นเป็นเรื่องที่เราฝึกได้ถ้าในโลกนี้เราจะได้ดีเพราะอารมณ์นคงดีของเราเนี่ยดียังไงด้วยเพราะว่าอารมณ์เนี่ยไม่ได้ทำให้สัตว์ดีหรือชั่วถ้าหากว่าเป็นรูปารมณ์ศัทธารมณ์เเพราะอ่าถ้าปัญจารมณ์นะเป็นเป็นธรรมะอะไรเป็นอพยกตธรรมนะตัวอารมณ์เป็นอพยากตะธรรมอารมณ์บางอย่างเป็นผลของกรรมของจิตของอุตโตและของ อาหารเพราะอารมณ์นั้นถ้ารูปารมณ์มีสมุทฐานสสัทธารมณ์มีสมุทฐานสองคันธารมณ์มีสมุทฐานสราษารมมีสมุทฐาน4ี่และโพธพารมก็มีสมุทฐาน4เนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็เป็นอย่า ง, งานั้นคองเข้าอยู่แล้วละ่ะแต่ทีนี้ทำอย่างไรที่จะมีความสา ม, มารถหรือที่เรียกว่ามีปัญญาเนี่ยพิจารณาอารมณ์นั้นนั้น แต่ทีนี้ถ้าหากว่าของเราทั้งหลายเราก็ไม่ควรที่ว่าบอกพิจารณาเอาเองว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นองี้อันนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าสิทธิไาาธนะทธ์ไม่มีอาจารย์เขาบอกงั้นเถอะนะสิทธิ์ไม่มีอาจารย์เราก็ควรจะมีอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ของเราเป็นยังไงถ้าใช้คําว่าอาจารย์เป็นไงนึกถึงไตรสารณาคมได้หรือเปล่าสิสภาวูปคมานาขอถึงความเป็นสิทธิ์ของท่าน่ะ ภาษาสดาสรงแนะนําเราอย่างไรคําสอนเรากล่าวอย่างไรแล้วภาษาวกท่านปฏิบัติอย่างไรกับอารมณ์นั้นเนี่ยน ะ, ะทำให้ว่าอา ร, รมณปัจจัยคือสีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าภาษาริบุตรเห็นสีนั้นอะภาษาริบุตรท่านคิดยังไงพระพุทธเจ้าเห็นสีนั้นอะพระองค์คิดยังไงแล้วพระองค์เทศสอนเรื่องสีนั้นอย่างไรเนี่ยนะไอ้ตรงนั้นสิ่งที่ควรเราที่จะมาน้อมนึกมาตรึกตามท่าน แต่ถ้าหากว่าเราให้ไปคิดเอาเองเนี่ยนะคิดจนปวดหัวมันคิดไม่ออกอะ่ะคิดยังไงมันก็สีอยู่ดิคิดยังไงมันก็น้ําหวานใช่ไหมดูยังไงก็น้ำหวานเอ้ยังให้คิดอะไรเป็นอะไรต่อใช่ไหมมองเราเดี๋ยวก็ตันหมดละคิดอะไรหูเออตาลายไปหมดอ่ะยิ่ง <c oughs> ก็เหมือนกับให้คนไม่เป็นหมอเลยนะวิจัยโรคอะ่ะก็ก็ดูอะ่ะก็เป็นสีอะ่ะก็สีก็สีดิ <c oughs> ไม่รู้อะไรแบบรู้จะแก้ปัญหานั้นยังไงต่อไปอีกไม่รู้อะไรสักอย่างเลย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 ด้วยทานนะกุศลได้ไหมเพราะสิ่งที่ควรเจริญถ้าเป็นของพวกเราทั้งหลายก็คือกุศลธรรมใช่ไหาทำยังไงกุศ ล, ลจิตจะเกิดแล้วก็เอาเรื่องทานมาตั้งแล้เออในอารมณ์นี้เป็นอา ร, รมณ์ปัจจัยให้ทานได้ไหมทีนี้ถ้าหากว่าจะหารายละเอียดว่าทานนี่มีกี่อย่างานะมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงบ้าง เ, าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องศีลไหมสมมติเอาน้ําแก้วเดียวเนี่ยนะ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 เนี่ยนะแต่ก็ทำงานโดยตามปัจจัยของเขาเนี่ยนะเป็นไปตามปัจจัยของเขาถ้าหากว่าผู้ที่ไม่รู้ความจริงเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นอาสวะไหนเกิดอวิชชาสวะก็เกิดเนี่ยนะถ้อาอวิชชาสวะเกิดซะอย่างเนี่ยนะทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้โลภะก็ตามมาโทสะก็ตามมาตามมาอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นตารพอย่างไรที่กุศลธรรมจึงจะเกิดขึ้นได้ ทีนี้พระ อ, องค์ตรัสต่อไปว่าบทว่ายัสสะพิกเวธรรมเเมมนัสเอกโรโตอุปปโนวากามาสโวพึงเห็นเนื้อความดังนี้ว่าอนุปปโนจะการมาโสโภปัชติอุปปโนจะกามาสโวปวัตถติแปลว่ากามาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกามาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้นเยอนะอาสวะในสูตรนี้มีมีสาใช่ไหมอทิก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 กา ม, มาสะวะนะถ้าใช้คําว่าโลภะเจตสิกนี้จิตกี่ดวงเท่ากับพูดและจิตกี่ดวงคือเมื่อสมมุติยกทางตาเลยนะสีถ้ามาณสิการไม่ดีโลภะมูลจิตเกิดได้ทั้งแปดวงแต่ว่าเน้นตัวโลภะเจตสิกโลภะยังไงเขาเขาก็ต้องเกิดเป็นทีมของเขาเนาะเขาไม่เกิดอย่างเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเห็นยังไงแล้วโลภะเกิดเน่ยไม่ควรมาณสิการแบบนั้น คือเมื่อมนสิการแล้วโลภะเกิดทั้งหมดเลยหรือว่ามนสิการไปแล้วโลภะทิฏฐิขตะสัมปยุตเกิดขึ้นนะเป็นสัตตะทิฏฐิอย่างนี้เรียกว่าทิฐาสะวะหรือเป็นอุเฉท ท, ทิฐิเนี่ยนะคือคิดยังไงแล้วทิฏฐิขตะสัมปยุตเกิดขึ้นไม่ควรคิดแบบนั้นแสดงว่าต้องหารายละเอียดหน่อยนะทิฐินี้มีเท่าไหร่นะ ทิิแบบพิสดารหน่อยก็หกสิบสองนะปฏิสัมพิธาบอกว่าสองอยกว่าน่าสนใจนะปฏิสัมพิธาทิฏฐิคถาเรื่องทิฏฐิน่าสนใจนะรายละเอียดเยอะนะแต่ทิฏฐิพื้นฐานแล้วทั้งหมดมียี่สิบนะทิฏฐิพื้นฐานทั้งหมดมียี่สิบนะอ่ายี่สิบเรียกว่าสกายะทิฏฐิสกายยะทิฏฐินั่นแหละเป็นประธานของทิฏฐิหกสิบสอง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 จะต่อด้วยอุดเฉททิฏฐิทันทีเลยว่าเอออัตตาตัวนี้เนี่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็มีแต่ขีเทาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตตาเนี่ยศูนย์แต่ถ้าเข้าใจว่าอัตตาเนี่ยอยู่ในรูปอันนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสัตสตทิทิและตัวตาเยเฉยๆแต่วิญญาณออกอัตตาอยู่ข้างในรูปอันนั้นนี่นะถ้าลักษณะนั้นเป็นสัสตสทิทิไม่ควรใส่ใจแบบนั้น หรือถ้าหากบอกโอ้โหเวทนาเนี่ยเป็นอัตตาเอ้เวทนาก็ไม่เที่ยงนะั้นอัตตก็ก็ศูนย์แลใช่ไหมถ้าสัญญาเป็นอัตตาถ้าจําอะไรไม่ได้เลยสัญญาไม่เกิดเป็นอะไรสัญญาก็ศูนย์สิถ้าสังขาราหรือโทสะเป็นอัตตาเอา้าโทสะหมดไปเอา้าโทสะก็ศูนย์ไปแล้วถ้าวิญญาณเป็นอัตตาวิญญาณเกิดด้วยปัจจัยเมื่อวิญญาณไม่เกิดเอา้าอัตตก็ศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่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 ไม่รู้ขันธ์าตุอริยตนะที่เป็นอนาคต <c oughs> ไม่รู้ขันธ์าตุอริยตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรมความไม่รู้ทั้งแปดประการนั่นแหละเป็นอวิชชาเอ้ถ้าเราพิจารณาเรื่องขณะพิจารณาโดยความเป็นทุกข์กษัตริย์เออวิชาก็เริ่มเกิดแล้วสินะไม่ยากนักนี่จเจริญวิชาเนี่ ย, ยนะก็คือ คิดยังไงให้รู้เออนี่ทุกขสัตว์นะนี่สมุทัยสัตว์นี่นิโรสัตว์นี่มรรสัตว์อะ่ะปรับยังไงที่จะให้มีความรู้เรื่องอริยสัตว์เป็นอย่างดีหรือว่าพิจารณาอย่างไงจึงจะมองเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือว่าสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันธาตุอายตนะเป็นอดีตอนาคตมันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอย่างไรถ้าปารัอย่างนี้บ่อยๆ อ, ยอวิชชาสวะก็จะไม่เกิดแต่อย่างว่าไม่คิดอย่างนี้หรอกเนีย่ยนะปุถุชนไม่คิดอย่างนี้หรอก เขาบอกว่าธรรมะที่ควรมนัิการซึ่งปุตุชนไม่มนานัิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุตุชนมนัิการถึงธรรมะเหล่าใดกา ม, มาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นนะอย่างนี้ควรมนัิการนะคิดแล้วโลภะไม่เกิดเนี่ยไม่คิดล่ะเพราะอะไรเพราะไปคิดให้โลภะมันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปภาวาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อม เสื่อมไปเห็นไหมคือเอคิดอย่างงี้แล้วพวกทิฐิเป็นต้นเนี่ยมันไม่เกิดเนี่ยแต่ไม่คิดละหรือว่าอาวิชชาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปธรรมะเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนาสิการซึ่งปุถุชนไม่มนาสิการเอคิดอย่างนี้แล้วอวิชามันจะหมดเนี่ยก็ยังถนอมหรือเปล่าไม่ถนอมเนาะเพียงแต่มันไม่รู้ไม่รู้ทางเหมือนกันเถอะไม่ได้อาจารย์เยนาะถ้าได้อาจารย์เนี่ยเนาะ มีพุทธังสรารนาังขะฉ า, ามิไดพ้พุทธเจ้าเป็นอาจารย์เนี่ยได้ดีแน่แต่ปัญหาทําการก็คือทํายังไงจะได้คิดถึงพระพุทธเจ้าได้มากๆขึ้นอนะ่ะมีพระพุทธเจ้านําหน้าเลยพระองค์ชี้ยังไงในเรื่องนี้จะได้คิดตามท่านเพราะปุถุชนนั้นมานสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมานสิการไม่มานสิการถึงธรรมะที่ควรมานสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ ถาว่าปุตุชนนั้นมนสษยการที่ที่มนสษยการไปแล้วเนี่ยก็คือมนสษยการแล้วทิฐิและวิจิกิจฉาเกิดขึ้นซึ่งจะได้อี่บายต่อไปอแต่ตรงนี้ขอยกข้อความในอัตรกรถานะ่ตรงเชิงอัดข้างล่างเนี่ยนะก็คือข้อความนั้นเป็นเป็นอัตรกระฐานะยกตัวอย่างเช่นมมอตัวนั้นมอจุดนี้ชื่อของ มัชฌิมนิการมูมูเนี่ยหมายถึงมูลปันนาตอจุดนี่หมายถึงอัตกถาหนึ่งทับเนี่ยเป็นชื่อของเล่มเล่มหนึ่งสเจ็ดนะทับส7บเจดเป็นชื่อของข้อเจบสี่เป็นชื่อของหน้าแต่ต้องเป็นฉบับภาษาบาลีฉบับมจอรอนะดูได้ตามนั้นได้แต่นี้เอาฉบับภาษาไทยมหมามกุฏเนี่ยนะ เอาม า, มาอ่านให้ฟังที่จริงก็ท่านให้เชิงอัดคร่าวๆไว้แล้วละ่ะบรรดาอาสวะเหล่านั้นความกำหนัดอันประกอบด้วยกามคุณหชื่อว่ากามาสวะเนี่ยนะตัวโลภะที่ยินดีในรูปเสียงกลี่อนรถและโธพภะชื่อว่ากามาสวะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปปภพและความพอใจในฌานซึ่งประกอบด้วยสัสตทิฐิและอุเฉททิฐิ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 วิปลาสีคิดแล้ววิปลาสเกิดต่อเลยเห็นไหมการตรึกแล้ววิปลาสเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเป็นเหตุใกล้แห่งอวิชาหรืออวิชาจะอาศัยแบบนั้นแหละเกิดขึ้นคือเราทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะมองตรงกันข้ามอมองมอ ง, มองตามวิปลาสคืออย่างนี้นะว่าพระรยเจ้าท่านบอกไม่เที่ยงเราก็ว่าเอ้ย ก, ก็อยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ท่านบอกมันไม่เที่ยง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 ถ้าทำมจับเป็นพยาธิถ้าที่อื่นไม่มีพยาธิทั้งชาติชราพยาธิมรณะและก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตไม้ในอาศัยสิ่งนี้ทําให้ประจวบกับสิ่งอันเป็นที่รักพลาดพลาดจากประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือปรารถนาแล้วไม่สมหวังเนี่ยนะแล้วก็ตั ว, ดวยโดยย่อสิ่งเหล่านี้ก็คือตัว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 แต่ถ้าเราตั้งใจมองลึกๆแไงก็จะเห็นเป็นภาพซ้อน ๆ, ๆ, ๆ, ๆอะไรอยู่ในนั้นตั้งหลายอย่าง ก, การพิจารณาธรรมะก็เหมือนกันะนะถ้าพิจารณาโดยธรรมดาเฉยๆสีก็สีเฉยๆแต่ถ้าเรานึกถึงคำสอนได้นะคำสอนจะกล่าวสิ่งเหล่านี้เป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเลยยกตัวอย่างที่พระบางองค์เนี่ยนะท่านเห็นคนร่ายรำนท่านก็ใส่ใจถึงเรื่องของสีแล้วก็ต่อด้วยสมุทฐานเป็นต้นนะพอได้ สมุดฐานซึ่งมีจิตเป็นสมุดฐานแสมุดฐานที่เหลือก็จะตามมาท่านก็จะใส่ใจในเรื่องขันธ์ธาตุยตนะต่อไปะก็ไม่ยากนะอาศัยสีสีเดียวนั่นแหละแล้วก็พิจารณาคําสอนต่อไปได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางต่อไปแต่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนั้นเอะเที่ยงนันก็สนุกดีเหมือนกันนะสุขนะสุขแล้วก็เป็นอัตตาด้วยงามด้วยนะถ้าใส่ใจไม่ดีก็จะในลักษณะนั้น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 แล้วหรือไม่ได้มีหนาคือคือข้อแรกก่อนนะเขาสงสัยสงสัยว่าเอ้ในอดีตการเนี่ยเรามีหรือว่าไม่มีกันแน่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอคำว่าเราได้มีแล้วเนี่ยสงสัยอย่างนี้เนี่ยเป็นนับหนึ่งนะข้อ2หรือไม่ได้มีแล้วเนี่ยนับสองเนี่ยนะก็คือปุถุชนนี้สงสัยเรื่อง อัตตาในอดีตอนะว่าเอออัตตาในอดีตเนี่ยมีหรือเปล่าเนาะชาตินั้นเนี่ยนะสมมุติว่าคนเข้าใจว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอัตตาใช่ไหมไออัตตาตัวนี้ในอดีตมีหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอสงสัยแบบนี้ก็คือสงสัยด้วยอำนาจสงสัยเอสงสัยแบบศาสตาที่ถีนั่นเองใช่ไหมว่าไออัตตาในอดีตเนี่ยมีหรือเปล่าเนาะหรือไม่ได้มีหรือว่ามันเกิดขึ้นลอยลอยว่าไนเขาบอกว่าทําไมอะ ปุตุชนยังคิดอย่างนี้ก็บอกว่าภาระปุตุชนมีพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้ายเหมือนคนบ้าที่คิดอย่างนี้นะอาัจฉริยท่านว่างั้นนะที่ที่นั่งคิดแบบนี้เอในอดีตการเรามีหรื อ, รอไม่ได้มีเนาะของมาเนี่ยเป็นอยู่นานกันนะนเราเป็นยังไงวะทีแล้วไม่รู้อะตอนนั้นเขาว่าบ้าติ๊กตาธรรมะแล้วเพิ่งรู้นั่งสงสัยอยู่ตั้งนั้น มามาทําอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมันเป็นอะไรนะสมัยที่แล้วเนี่ยยังไงกันแน่สงสัยอยู่นานเลยไม่ได้สงสัยอยู่เป็นวันๆแลสงสัยอยู่หลายเดือนอะ่ะกว่าจะหมดไกอความคิดอันนั้นได้ไอที่หมดก็คือเลิกคิดอะ่ะว่ามัคิดแล้วมันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะก็ทําไม่ได้วิจิกิจฉาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสงสัยหนักขึ้นหนักขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งนี้อโยนิโสมนัสิกานั่นเองเป็นเหตุในเรื่องนี้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 ตรงกันข้ามกับอริยสัจนั่นแหละทําให้เกิดความคิดว่าเอ๊ะเราได้มีหรือเปล่าเนาะในอดีตการเนี่ยนะนึกถึงเออเมื่อชาติสองชาติสามชาติถอยหลัง เ, เป็นยังไงนะมีหรือไม่มีกันแน่อะนะถ้าสงสัยว่าเอ๊ะได้มีแล้วอันนี้เป็นอะไรศาสัสตตตถิติหรือไม่ได้มีรู้ว่าเกิดมาชาตินี้เราเกิดมาลอยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเกิดมาลอยลอยอคนสรรคนสร้างคนเศษคนเป่ามาหรือเปล่าเนี่ย ก็สงสัยไปเรื่อยเนี่ย น, นะถามว่าจริงไหมความคิดเนี่ยจริงแต่เรื่องคิดไม่จริงหรอกก็คิดไปเรื่อยนั่นแหละความคิดนั่นแหละได้ปัจจัยนะอะไรเป็นปัจจัยแห่งความคิดอย่างนั้นอโยนิโสนั่นแหละอะโยนิโสมีอะไรเป็นอาหารไม่มีศรัทธาเป็นอาหารของอะโยนิโสนั่นนะเออเนี่ยนะเพราะไม่มีศรัทธาแท้ๆเลยนะต้องนั่งคิดอย่างนี้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 มีศรัทธาเพิ่มกว่านี้อีกนิดหนึ่งทําให้เราไปที่ไหนเราจะไม่ขาดพระธรรมเลยนะไปที่ไหนเราก็จะมีพระธรรมติดตัวไปด้วยนะทําให้สบายไปเยอะแต่ถ้าหากว่าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยนะลำบากนั้วนะชวนะมีโทษหรือไม่มีโทษนะแต่ถ้าไม่มองว่าไอ้ชวนาเหมือนกับอริยทรัพย์เนี่ยเหมือนกับทรัพย์นะนั่นก็ยากเหมือนกันถ้าหากว่าเห็นชวนะมีค่าเหมือนกับทรัพย์ในกระเป๋าเราเนี่ยนะเมือนนั้นเราจะรักษาดีมากเลย แต่ทีนี้ว่าทํายังไงนะจะเห็นอย่างนั้นก็ศึกษาเรื่องกรรมมากๆก น, นะมองเรื่องกรรมให้ออกแล้วก็ต่อไปก็จะห่วงความคิดละจะไม่คิ ด, ดเรื่อยเปื่อยละถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนั่งคิดเป็นอกุศลสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เสียหายอะไรตอนหลัง อ, อกุศลชั่วโมงหนึ่งถ้ามันให้ผลนี่ไปเกิดที่ไหนเนี่ยโอ้ตื่นตัวขึ้นมาทันทีก็กลัวบาปกลัวอกุศลนะก็จะไม่ปล่อยความคิดที่เป็นบาปให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าความคิดที่เป็นบาปเกิดขึ้นแล้วใครเป็นคนรับอ่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าบรประชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่านะเรามีกรรมเป็นของของตนบอกงั้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบอกงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบันประชิตให้พิจารณาอย่างนี้คารวะไหมพิจารณาก็ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ถามว่าทําไมปุถุชนจึงคิดอย่างนี้บอกงั้นเพราะอายออนิโสมนัิการเป็นเหตุทีนี้เขาทั้งคาถามว่า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 คิดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแสดงว่าอใครเป็นครูอาจารย์เนี่ยกัน่ า, นาพิจารณาแล้วนะควรลาออกได้แล้วเ <c oughs> มื่อไรโยมเป็นอย่างนั้นก็ช่วยบอกเลยนะ <c oughs> ถามว่าอ้าวก่อแม่ปุตุชนย่อมใส่ใจโดยแยบคายเอาปุตุชนก็คิดมีโยนิโสเหมือนกันนะไม่ใช่หรือนะหรือใครเล่ากล่าวอย่างนี้ว่าปุตุชนไม่ทําใจ โดยแยบขายบางงันแทอะเขบอกว่าอา้าวปุตุชนนี่เขาก็มีโยนิโสเหมือนกันนะที่บอกว่าเอา๊ะปุตุชนเนี่ยที่เขาคิดแบบนี้เพราะเขามีอโยนิโสอเอาปุตุชนเขาก็มีโยนิโสเหมือนกันเขาว่าอเอาแล้วใครบอกว่าปุตุชนไม่มีโยนิโสล่ะแล้วท่านอธิบายว่าความเป็นปุตุชนไม่เป็นเหตุสำคัญในข้อนั้น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 อยู่ในชีวิตสมณะเนี่ยจะรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยไปอยู่บางแห่งเนี่ยนะเราตื่นตัวค่อนข้างมากมคิดเป็นอกุศลอยังไม่กล้าเลยนะมตื่นตัวมากที่จะให้คิดเป็นกุศลเนี่ยนะพยายามที่จะคิดคําสอนมากขึ้นมากขึ้นไม่ปล่อยจิตปล่อยใจคิดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนเดิมลนะเพราะอาศัยคนรอบข้างเนี่ยช่วยเราค่อนข้างมากเราะนั้นกาลยานามิตรเนี่ยเกือกูลมากยกตัวอย่างนะวันนี้เราใจคองหงุดหงิดเอ๊ะคนดินเขายิ้มแย้มแจม่มใสเขาขนธนาธรรมะ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 เขาไปใกล้ๆเดี๋ยวเมตตาจิตซึ่งมันน้อยอยู่แล้วจะเหือดแห้งไปก็เลยไม่กล้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาทบทวนเพราะพระองค์จึงบอกว่าเตือตนเตือน น, นั่นแหละสำคัญที่สุดเลยนะใจเราเตือนใจเรานั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นความที่เราไม่ได้ฟังธรรมไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยนะไม่มีจักสีนั่นเองเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเกิดนะจักสีหนึ่ง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 เนื้อทําให้ปลาเนี่ยหอมปุตุชนก็ลักษณะนั้นปกติเนี่ยนะถ้าปล่อยตามธรรมดาของปุตุชนนะจะต้องคิดเป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อาศัยการฟังธรรมอาศัยกัลยาณมิตรเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้ให้กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดที่จะทําให้จิตเป็นกุศล น, นั้นก็คือหาปัจจัยเนี่ยน ะ, ะคนที่หาปัจจัยได้นั่นแหละสามารถที่จะทํากุศ ล, ลจิตให้เกิดขึ้น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 เราจได้นะสมัยที่เราเรียนเรื่องประมาทสัจจะพูดถึงมหากุศลมีสีดอกไม้เป็นอารมณ์เนี่ยนะถามว่าทำไมกุศลจิตจึงเป็นโลภะเออเป็นโสมนัตเพราะวัตถุหรืออารมณ์ดีเนี่ยนะสุภานิมิตอันนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้โสมนัตเกิดเอาแล้วสุภานิมิตมันเป็นอารมณ์ปัจจัยของโลภะไม่ใช่หรือใช่ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยของ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 แล้วก็วิสุทีมักเป็นต้นก็จะอ้างอ้างข้อความนี้ไปนะอรัพิธรมัทสังขหะก็จะอ้างข้อความเหล่านี้ไปนั้นเราก็มาที่ต้นต่อเลยแล้วก็ความสงสัยข้อสามเป็นยังไงเราได้เป็นอะไรมาหนาะสงสัยว่าเราเป็นอะไรมาคือสงสัยว่า อ, อดีตชาติเนี่ยนะเราเป็นกษัตริย์หรือเปล่านะ้อนหรือว่าเป็นพราหมณ์หรือว่าเป็นแพทย์เป็นสูตร ชาติที่แล้วได้บวชหรือเปล่านะเป็นครือขัดหรือเป็นบรรณชิตสงสัยอย่างนั้นหรือเปล่าสาเด <c oughs> ชาติที่แล้วบวชหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> เป็นบรรณชิตเอหรือเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมหรือเปล่า <c oughs> สงสัยแบบเนี้เรียกว่าเราได้เป็นอะไรมาเนาะอันเนี้ยสงสัยแบบที่สามสงสัยในเรื่องของภพภูมิที่เกิดอ่นะแล้วก็สงสัยในเรื่องเพศชาติชั้นบรรณะนั่นเอง แล้วนะทีนี้สงสัยอย่างที่สี่บอกว่าเราได้เป็นอย่างไรมาหนอะนะโน้ตโน้ตไปด้วยนะเป็นตัวเลขก็ได้กําหนดหัวข้อได้เราได้เป็นอย่างไรมาหนาก็คืออาศัยชาติกําเนิดนั่นแหละก็เลยสงสัยว่าเออเราได้เป็นกษัตริย์แล้วจึงได้มาเป็นพราหมณ์หรือเปล่าเออสมมุติว่าชาติที่ก่อนโน้นเราเป็นกษัตริย์ใช่ไหมตายจากกษัตริย์มาเกิดเป็นพราหมณ์หรือว่าตายจากกษัตริย์มาเกิดเป็นสูตรเออตายจากกษัตริย์มาเกิดเป็นจันทาน่ะนะ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 นก็บอกว่าวิจิกิจชานี่นาปฏิสนธิได้เนี่ย น, น, นนะให้พลปฏิสนธิในอบายได้ใครปล่อยให้ความคิดแบบนี้เกิดมากมากก็อย่าไปแช่งใครเลยทีนี้สงสัยเนี่ยนะในอนาคตาแบ่งเป็นกลุ่มแรกได้แล้วนะความสงสัยในอดีต5้าอย่างทีนี้ก็บอกว่าสงสัยในอนาคตอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะสงสัยในอนาค ต, ตการอันยาวนานว่าหนึ่งเราจักมีหรือจักไม่มีหนอ ข้อหนึ่งก็คือเราจะมีหรือหรือว่าจกไม่มีหนาะนี่สองข้อละท่านนี้ถ้าก็แสดงสองข้อก็คือสงสัยว่าตัวนี้จะมีหรือไม่มีในอนาคตเนี่ยสงสัยว่าเออเราจะมีหรืออันนี้สงสัยด้วยอํานาจของสัสตตะทิฏฐิใช่ไหมมันมีหรือมีเอ๊มีมันจะเป็นมีนะมีหรือไม่มีถ้าบอกถ้าไม่มีเป็นอุเฉททิฏฐิถ้ามีเป็นสัสตตะทิฏฐิ จะไม่ให้เราคิดได้ยังไงเนาะมันอยากคิดอะเมื่อก่อนอ่านตรงนี้เนื้อไอ้ที่ถูกเป็นยังไงเนี่ยายางงั้นก็ผิดไอย้ยางงี้ก็ผิดนะคิดก็ไหมถูกว่างงไปหมดเลยนะธรรมะนี่ทำไมายากขนาดนี้นะงเนาะไอ้ยางงั้นก็บอกว่ายิ่งอ่านเอพ ม, ม่าชาละสูตรเนี่ยนะไอเราบอกว่าศูนย์เขาก็บอกมิจฉาทิฐิบอกเที่ยงก็มิจฉาทิฏฐิหรือนั่นเป็นของเราเมิจฉาทิฏฐิอีกเอ๊ะมันจะเอาอยัางไงกันเนี่ย โอ้ยจริงๆกันหน้าฟังฟ้านกันนะไม่มีพื้นฐานเรื่องขันห้าเรื่องธรรมะเรื่องปฏิจจสมุป บ, บาทมาก่อนนะลำบากเหมือนกันแต่ที่จริงสมัยโบราณนี่เวลาเขาเขาฟังเขาอ่านนส่วนใหญ่เขาเสร็จมีอาจารย์เนี่ยนะเขาก็จะแนะนำมีผู้รับการชี้แจงว่าไอ้ที่ถูกมันเป็นยังไงเขาก็จะชี้แจงให้เราเห็นด้วย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 ที่บอกว่าเราจากมีอันนี้สัตตะหรือจักไม่มีอันนี้เป็นอุเฉทะ ท, ทีนี้ข้อสามข้อสามว่าเราจักเป็นอะไรหนอ<ช>นะบอกเราจากเป็นอะไรหนอเนี่ยนะก็ะะคือต้องใส่ยังไง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 เอ่หรือว่าเออเราชาติหน้าเนี่ยนะจะไปเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นกษัตริย์เออตาจากกษัตริย์จะไปเกิดเป็นอะไรต่อสมมติว่าชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดานะโห้ไปอยู่ดุสิตเลยสมมติดุสิตเออถ้าตาจากดุสิตจะไปเกิดที่ไหนต่อโอ้มาลงมาดาวดึงเออจากดาวดึงจะไปไหนต่อนอ้ออย่างไงี้ยก็สงสัยไปเรื่อยนี่แหละเขาเรียกว่าสงสัยว่าเนี่ยนะเราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรเนอะฟังกันอันนี้ห้าข้อนะ ปัจจุบันอีกห้าข้อแล้วก็ปัดเอไม่ใช่ขออภยัยอนาคตหข้อปัจจุบันอีกหกข้อปัจจุบันหกข้อก็คือสงสัยภายในตัวสงสัยในตัวที่กาลังมีอยู่นี่แหละปรารพบปัจจุบันอาการกล่าวว่าเรามีอยู่หรือไม่มีเนออ่านะข้อหนึ่งก็คือเรามีอยู่ข้อสองหรือไม่มีเนอะเห็นไหคือปุถุชนนั้นสงสัยที่ว่า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 จึงได้จึงได้ตีอย่างแรงเลยนะหวดปั๊บเข้าไปเนี่ยนะไดปลาตัวใหญ่แล้วแบบ น, นี้หรืออีกคนหนึ่งเนี่ยนอนเฝ้านาอยู่ใกล้ป่าชารู้สึกกลัวก็เลยนอนขดนอนขดอย่างดี้เลยเขาตื่นขึ้นมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะขาของตนเนี่ยเป็นยักษ์สองตัวอูยักษ์มาทั้งสองตัวเนี่ยก็เลยไม้หวดเข้าไปปัป๊บ <c oughs> คือบางทีเนี่ยนะถ้ามันชาแล้วมันจะรู้สึกใหญ่กว่าปกตินะร่างกายเนี่ยนะ นั่นแหละเขาบกยักมาทั้งสองตัวแล้วก็เลยถวดเข้าไปป้าวหนึ่งนะมันเขาย่อมมีสงสัยว่าเอ๊หรือว่าเราไม่มีนะหรือไม่มีนะเราเป็นอะไรเนาบางทีเนี่ยก็สงสัยเนี่ยนะข้อสามที่ว่าเราเป็นอะไรเนอก็คือสงสัยว่าเอ๊เขาเป็นกษัตริย์นะสงสัยในความเป็นกษัตริย์หรือว่าเขาบอกว่าผู้ที่เกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะที่จะไม่รู้ไม่มี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 พระองค์ตรัสว่าครื่ายบดีเนี่ยนะโหเขาโกรธมากเขานืกว่าเขาเป็นบนรรพชิตที่จริงเขาก็ไม่ได้บวชอะไรทักอย่างอ่ะแต่เขาเขาสําคัญว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับบ้านช่องห้องหอและแต่ก็เป็นคารวาสนั่นแหละก็สําคัญว่าตัวเองนี่เป็นบนรรพชิตยอย่างนี้หรือว่าแม้บรรพชิตก็มีความสําคัญตัวเองว่าเป็นเครหัสโดยนายเป็นต้นว่า ก, กรรมของเรากรรมเริกหรือเนอเออเราบวชมาเนี่ยบวชถูกหรือเปล่าเนี่ยสีมาวิบัติหรือเปล่า หรือว่าคณะสงฆ์พอหรือเปล่าเอ๊ะอาจารย์สวดถูกหรือเปล่านะสงสัยไปหมดสงสัยไม่เป็นพระละมั่งอย่างเงี้ยเรียกว่าสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นเป็นเป็นอะไรนนาะปรงั้นเดี๋เออสงสัยในข้อสี่นะเราเป็นอย่างไรหนอส่วนที่บอกว่ากระถังนุโคสมิมีนัยยะดังต่อไปนี้ว่ากระถังนุโคสมิ น, นี้มีอธิบายว่าปุตชนเมื่อยึดถือว่า ในภายในมีแต่ชีวะล้วนๆเนี่ยนะข้างในเนี่ยนะมันมีไอ้ตัวหนึ่งนั่นมันสิงข้างในอ่ะเคยทัวร์เขาถูกเรียกวิญญาณถอดวิญญาณล่องลอยไปเหมือนกับตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ยนะมันอยู่ข้างในนั่นแหละก็พอสองสัยว่าไอ้ตัวข้างในเนี่ยนะกายในหรือกายที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมีสวดส่งยังไงนะดงสังท่องว่ะ ว่าใส่เจ้าเงาะไว้ว่าเอ๊ะข้างในเจ้าเงาะนี่มันจะเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยก็สงสัยแบบนั้นนหละสงสัยว่าจะมีผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ข้างในนั่นนะไอตัวแท้ๆอันนี้เป็นเหมือนกับเงาที่แสดงออกมามีตัวแท้ข้างในอีกังะเพรา ะ, ะนั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไอข้างในเนี่ยนะตัวในกายในของเราเนี่ยมันสูงหรือมันต่านะหรือว่า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 แล้วก็สงสัยในข้อ5ข้อ6ว่าสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจะไปไหนกันหน อ, อ น, นี้ข้อ5้าข้อ6นะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้มีอยู่6ข้อเพราะวิจิการิชา16ก็คือสงสัยที่มาที่มาและที่ไปในอัตภาพชาติที่แล้วมาจากไหนแล้วก็จะไปไหนต่อเนี่ยนะลักษณะนี้แหละในข้อ5้ข้อหนะสัตว์นี้มาจากไหนเราเนี่ยมาจากไหนเออเราจะไปไหนต่อไป แต่ว่าพื้นฐานของความสงสัยเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนรู้ไหม αι? ทำไมจึงสงสัยแบบนี้เพราะสากายยัติถีนั่นแหละสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตราแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของอัตรานั่นแหละก็วิจัยละคิดไปเรื่อยถามว่าที่ถูกเป็นอย่างไรก็ต้องถามว่าไอเราที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหม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 ถ้าความคิดทางมโนทวารเนี่ยที่คิดเนี่ยพื้นฐานอะไรจึงคิดได้ทุกๆความคิดของเราเนี่ยนะถ้าเรานึกถึงสูตรได้ไหมถ้าจะพูดถึงมโนทวารเราควรจะไล่สูตรยังไงก่อนอาศัยมโนโกับธรรมะธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามนะไม่เฉพาะสามอารมณ์อาศัยมโนกับธรรมะจึงเกิดมโนวิญญาณมโนวิญญาณคืออะไรคือความคิดนั่นแหละชวนานั่นแหละ ความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาที น, นี้ว่ามโนผวังของเราคืออะไรก็มาเรียนรู้เรื่องผวังให้ดีว่าผวังเป็นจิตชาติวิบากเมื่อเป็นจิตชาติวิบากอะไรเป็นเหตุให้ผวังขจิตเกิดขึ้นผวังขจิตมีอะไรเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยก็ศึกษานะถ้าไม่เข้าใจดีก็เรียนมันเสาเอาเนาะวันเสาร์กำลังเรียนเรื่องนี้พอดีพอดี แล้วก็ธรรมะธรรมะที่เป็นทั้งธรรมมารมด้วยเจตสิกที่ประกอบกับมโนวิญญาณด้วยแล้วมโนวิญญาณคืออะไรบ้างเช่นมโนวิญญาณคือโทสะมโนวิญญาณคือโลภะมโนวิญญาณคือโมหะหรือว่ามโนวิญญาณคือหมหากรุส น, นะทุกๆความคิดที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยก็มาวิจัย เ, ออเกิดจากเหตุอะไรบ้างเราก็จะรู้ว่าอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณหนึ่งความคิดที่เกิดขึ้นนะความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็น ภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยก็มีอุปาทานพออุปาทานเกิดอะไรเกิดตาเจตนาเป็นบุญเป็นบาปขณะนั้นแหละตัวนั้นแหละเรียกว่าพบพบอ น, นั้นเนี่ยนะเป็น อ, อ น, นั้นเป็นกรรมมพบเพรา ะ, ะเจตนาเหล่านั้นสามารถให้วิบากได้เรียกว่าอุปาติภพนะวิบากของเจตนาเหล่านั้นเรียกว่า อุปติพพกรรมอันนั้นถ้ามีกำลังแรงก็นําเกิดได้เป็นชาติชาติก็คือการเกิดบริวารของการเกิดคืออะไรชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมณัสและอุปายาตสรุปว่าไงสรุปว่ากองทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้มาจากความคิดนี่นะว่ากองทุกข์ตามมาเป็นพัวเลยนะ ถ้าได้หัวขบวนตรงนี้แล้วจะรู้โอ้โหตามมาเป็นพรวนเลยนะก็มาจากความคิดหนึ่งความคิดของเรานั่นแหละพันรักษาความคิดให้ดีๆนะส่วนใหญ่ให้พรนะ่อนรักษาตัวให้ปลอดภัยรักษาใจให้เป็นบุญขนาดผลของบุญยังแก่เหมือนทุกวันเนี่เลยเนาะผลของบาปจะขนาดไหนเนาะเพราะฉะนั้นไอย้ยางนี้แหละปู่ตุชนเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดแต่ปู่ตุชนก็ก็คิดใช่ไหมพอคิดอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดก่อไปอีกพอสงสัยสิบหกอย่างอย่างนี้แล้วนะ ในข้อต่อไปว่าเมื่อปุตุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยกคาอย่างนี้ทิฐิคือความเห็นผิดอย่างใดยอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิ6ก็เกิดขึ้นสงสัย16และยังไม่พอนะยังต่อด้วยมิชาทิธฐิอีกออในในฉบับ91เ อ, อเล่ม น, นะไม่ได้แยกให้เห็นอย่างนี้หรอกฉบับนี้แยกให้เห็นเป็น6ข้อ แรกๆอ่านเนี่ยหกมันเป็นยังไงนาะนะตัวเลขบอกหกเราไล่ไม่ก็ถูกเลยว่า ง, งั้นนะแต่ฉบับนี้แยกให้เห็นเลยข้อที่หนึ่งบอกว่าทิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงโอ้เป็นทิฐิที่มั่นคงมากนะพื้นฐานที่จักสงสัยนั่นแหละทําให้ทิฐินี่มั่นคงว่าอัตราของเรามีอยู่เนี่ยนะสำคัญว่าอัตานี่มีเลยทิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตราของเราไม่มี ข้อหนึ่งเป็นสัตตตถิถิใช่ไหมอัตตาเนี่ยมีอยู่นะบางคนบอกว่าทิถิมั่นคงเลยว่าอัตตาของเราไม่มีอันนี้เป็นอุเฉททิิก็สก็บอกว่าทิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตานะจะอธิบายต่อไปทิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเราจะรู้สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา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 อัตราของเรานั้นอันนี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจักดำรงอยู่เสมอด้วยสิ่งที่แน่นอนโอ้หมั่นคงมากเลยตัวอัตราตัวนั้นเนี่ยนะอันนี้พื้นฐานลัทธิอัตราเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งเขบอกว่าสัจธรที่ถีในบทว่าอัตราของเรามีอยู่ น, น, นะนะก็คือยึดถือว่าอัตราของตนเนี่ยมีอยู่ในการทุกเมื่อเลย อัตตาเนี่ยมีอยู่อีกนอนหรือบอกว่าทิฏฐิข้อที่สองก็คืออัตตาของเราไม่มีเนี่ยนะอัตตาของเราไม่มีชื่อว่าอุเฉ ท, ทิฏฐิเพราะถือว่าสัตว์ไม่มีอยู่ขาดศูนย์ในภพนั้นนั้นอีกอย่างหนึ่งนะทิฏฐิข้อที่หนึ่งเนี่ยนะข้อหนึ่งว่าสัตสตาทิฏฐิเพราะยึดถือว่ามีอยู่ในการสามอัตตาเนี่ยมีอยู่ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอดีตก็มี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 โยมเขาอ่าข้อมาเนี่ยเคยพักที่ป่าช้าสันติธรรมเมื่อทักแปดปีที่แล้วพักในป่าช้านะเสร็จแล้วเขาก็เอาเผาศพมานนะเผาศพอเผาเสร็จเนี่ยชาวมาเขาก็ชวนญาติญาติกันมาเก็บเก็บเก็บเก็บกระดูกเอาไปใส่ครกเนี่ยเราแปลกใจไอ้ก็าทาอะไรเนี่ยใส่ครกตําให้ละเอียดแล้วก็ใส่พลุจุดตุ้มเปลวหายวดัดหมดเออมีที่สุดแค่ น, นั้นหรือเปล่าชีวิตเรา แค่นั้นหรือเปล่ า, านะ็นไหโเราก็นึกว่าเหมือนบ้านเราใช่ไมบ้านเราเนี่เก็บกระดูกเอาไปใส่อย่างดีเลยนะเก็บรักษาต่อไปอันนี้เขาเก็บเก็บมาใส่ครกและโคลกละเอียดปนปนปนปยเนาะนะจุดใส่พลุนนะ่งนบออันตรธานหายวัดไปหมดเลยเป็นที่ฝุ่นอยู่แถวนั่นแหละต้นไม้ง้ม่ะถามว่าชีวิตเรามีแค่นั้นหรือเปล่าใช่ไมสแสดงว่าปัจจัยก่อนตายเนี่ยมีเยอะนะ นะก่อนที่จะจิตจะจุติปฏิสนธิเนี่ยศึกษาเรื่องนั้นให้ดีถ้าศึกษาไม่เพียงพอก็จะอะไรหมดแค่นั้นแนหะชีวิตนะหรือถ้าศึกษาไม่ละเอียดดีก็เอ๊ะอัตตาเนี่ยเดินออกจากกายไปแล้วเนี่ยนะก่อนจะตายเนี่ยเอ๊ะอัตตาเนี่ยเอ๊ะออกทางปากออกทางหูออกทางจมูกหรือมันออกทางหน้าผากกันแน่มันออกส่วนไหนของกายเนี่ยวิญญาณเนี่ยตีเหมือนพระเจ้า ปายาเสียด้วยเอาใหญ่แล้วเอาคนใสน่ในตุ่มให้มันอากาศหมดอากาศมันตายอะ่ะแต่ค่อยๆแง้มนะเอาเอาแง้มเอาเปิดค่อยๆเปิดฝาตุ่มอ น, นะดูวิญญาณมันจะออกยังไงรูปร่างไงแอบ ด, ดูนะไม่เห็นสักอย่างเลยนะเอ๊หรือว่าอัตตาเนี่ยนะมันมันสิงอยู่ยังไงกันแนะ่แกก็เลยอยากลองดูอยากพิสูจน์ว่าอัตตานี่มันอยู่ข้างไหนยังไงเนาะ แกก็เอามีดมาค่อยๆแล่นะให้ให้ใ ห, ให้คือนักโทษนะนักโทษประหารอยู่แล้วทีนี้แกก็มีความคิดพิเรนพิเ ร, น, เรนอยู่แกอยากรู้เรื่องอัตราเนี่ยมันอยู่ยังไงกันแน่แกก็สั่งให้เพชฌฆาตเนี่ยค่อยๆปาดเนื้อแล่แล่เป็นๆ น, นี่แหละดูสิมันจะเป็นยังไงแกก็หาวิธีหาให้มันตายในช่องกระจกดูที่วิญญาณมันจะออกทางไหนหาอย่างไรก็หาไม่เจอที น, นี้ไอ้บุญบาปมีหรือเปล่าเนี่ยแกก็เลยตอนหลังแกก็ไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีอะไ ร, ม, ะไรมีทักอย่าง ในปายาสีราชันยสูตรเนี่ยกล่าวดีนะทำให้พระพระกุ ม, มารากัสสะนี่แก้มิจฉาทิฐิประเภทอุเฉธทิฐิเป็นอย่างดีเลยเนี่ยน ะ, ะแล้วก็ในทิฏฐิข้อที่ข้อที่1คือสัสตานะข้อที่2ก็คืออุเฉธะข้อสว่าเมื่อปุุชนยึดถือขันธ์ทั้งหลายโดยมีสัญญาขันธ์เป็นประธานนะที่บอกว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตาเนี่ยนะ คือยึดถือ ส, สัญญาขันเป็นประธานว่านั่นอัตตาแล้วหมายรู้ขันที่เหลือด้วยสัญญาย่อมมีความเข้าใจว่าเราย่อมหมายรู้อัตตานี้ด้วยอัตตาคือสัญญาสาคัญว่าสัญญาสัญญาเจตสิกเนี่ยนะเป็นเป็นอัตตาอัตตานี่รู้อัตตาเ น, นี่ยคือลักษณะของข้อสามข้อเซ่ก็บอกว่า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 ส่วนข้อห้บอกว่าอนัตตามนาวัตตานังเมื่อปุตุชนนั้นยึดถือสัญญาขันว่าอนัตตาและยึดถือขันสีนอกนี้ว่าเป็นอัตตาสัญญาเนี่ยอนัตตาใช่ไหมแต่ว่าไอที่เหลือเป็นอัตตาอย่างนี้ใช่เรารู้จักอัตตาด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาวางกันคือตัวเวทนาสังขารวิญญาณขันเนี่ยเป็นตัวไปรู้อัตตาวางกัน เพราะฉะนั้นสัญญามีความเข้าใจอย่างนี้ว่าเราหมายรู้อัตตาด้วยอนัตตาบกทิฏฐิทุกอย่างดังกล่าวมาจัดเป็นสัสตทิฏฐิและอุเฉเถทิฏฐิทั้ทงนั้นน่ยนะข้อหนึ่งข้อสองก็เป็นข้อหนึ่งอุสัสตทิฏฐิข้อสองอุเฉทะส่วนข้อส4 5สหบางอย่างเป็นสัสตะบางอย่างเป็นอุเฉทะนั่นเองแต่ก็คือมัน สัสตตตทิถินั่นแหละเน้นสัตตตะนะถ้าถ้าสำคัญว่ามีอัตตาอัตตานี่เที่ยงก็เป็นสัตตตะถ้าอัตตาไม่เที่ยงก็เป็นอุเฉทะเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้อ6ที่บอกว่าอัตตาของเรานี้เป็นผู้กล่าวไอ้พวกนี้เป็นสัสตตตีิถิไนะข้อ6เนี่ยเป็นสัสตตตถิถิ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 ที่เขาอเสกวิญญาณออกจากกายอ่ะไปเรียนที่สำนักฤาษีเมืองตักกศิลาอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะเคยไปดูอยู่แล้วก็ถอดวิญญาณเนี่ยนะมันมันมันมีเหมือนกระแสงสว่างวับ ว, บวบัออกจากตัวไปสิงในเนื้อไงเนื้อมก็วิ่งได้แล้วไปสิงในนกแก้วเออนกแก้วก็พูดได้ไง น, นนะโอ้สมัยเด็กๆ ก, ก็คลั่งอยู่ตั้งนั้นกันสรุปแล้วตอนนั้นเนี่ยเพี้ยนนะ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 อันนี้ที่ทก็เหมือนกันเห ม, นนมือนกับความกันดานด้วยทุพพิขภัยและสัตร์ร้ห้เป็นต้นเนี่ยนะโกว่าจะผ่านพ้นไอ้ที่กันดานอันนั้นเนี่ยไปยากความเห็นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่แก้ไขายากมากนะถ้าหากว่าคนที่ไม่มีสาระจริงๆเนี่ยนะแก้ไม่ได้นะคุยกันยังไงก็แก้กันไม่ได้แล้วที่ทนั้นเป็นค่าศึกเนี่ยนะก็คือเพราะว่าเป็นเครื่องเสียดแทงและก็เป็น เป็นเครื่องที่ขัดต่อสัมมาทิฐนะิความเห็นเหล่านี้ไม่เป็นไปกับกรร ม, มสกตาสัมมาทิธฐิอะไรเลยนะแล้วก็ทิฐินั้นดิ้นรนไปต่างๆดิ้นรนตรงนี้ก็แปลว่าเดือดร้อนเนี่ยนะจริงก็ต้องดิ้นรนดิ้นรนยังไงก็คือบางครั้งก็เป็นสัสทิฐิบางครั้งก็เป็นอุเฉธ ท, ทิธฐิแล้วก็ทิธฐินี้เป็นเครื่องผูกเป็นสังโยชน์เป็นทิฐิสังโยชน์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 แม่ถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนไม่อยากเชื่อเลยนะว่าไอ้นั่นคือเหตุใหม่ะในความคิดนั้นแต่ละทวิถีแต่ละวิถีทีนี้ในแต่ละวิธีเนี่ยทั้งหมดมีใหญ่ๆและวิถีโดยหวิธีใช่ไหมจากคูทวารโสตะทวานคาราทวารชิวหาทวารกายทวารและมโนทวารหกวิถีเนี่ยมันเกิดสลับกันเมื่อมันเกิดสลับกันเนี่ยนะแล้แต่ละวิถีเป็นอุปนิสัยให้แก่กันด้วยเป็นอุปนิสัยให้แก่กัน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 มันมีพึ่งพึ่งอะไรพวกนั้นมิ้มอะไระมิ้ม น, นะพึ่งเล็กอเลยนะวันนั้นอนะ่ะฝนตกแรงมากฝนทั้งลมด้วยเนี่ยนะมันปลิวแล้วก็ไม่ทราบว่าฝนฝนปลีวหรือลูกน้องหันอวะนะทํามันรังมันร่วงลงไปแต่แล้วฝนยังมาชะล้างมันอีกและทีนี้พวกมันก็มาเลียเอาน้ําพึ่งที่มันหยาดอยู่ข้างล่างเนี่ยน้ํามาที่วันวานเอาไปรอเลี้ยงทํารังใหม่ ก็นึกถึงไอ้ตัวก็นิดเดียวเนี่ยนะก็ยังโอหทุกทรมานขนาดนั้นเวลาฝนจะตกเนี่ยมดมันตามมาพพ่นแล้วก็ไอ้ข้างคากุเตเนี่ยมีรังมดอย่างใหญ่มากอนะมันอยู่คงอยู่หลายล้านตัวแล้วก็นึกดูโอ้โหสังสารวัตรเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นนะมันไ ม, มน่มีความปลอดภัยอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยถามว่าก่อนจะไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาทําลายตัวเขาเองคือทําลายความคิดของเขาเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้นตอแห่งสังสารวัตทั้งหมดก็อยู่ที่ ที่ความคิดเพราะฉะนั้นความคิดของเราถามว่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งอะเอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่เราคิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่คิดก็ไม่ได้มองเห็นแล้วก็ต้องคิดหูได้ยินแล้วก็ต้องคิดเดี๋ยวก็คิดในแต่ละความคิดเนี้ยเอาอะไรเป็นเป็นหลักจริงๆของความคิดดังนั้นคําสอนจะกล่าวถึงเรื่องของความเป็นไปของความคิดแล้วจะรู้ว่าอะไรควรคิดและไม่ควรคิดถ้าหาว่าคิดไปผิดสู่นะจะเหมือนแบบนี้เลย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 ทิฏฐิเหล่านี้นานๆเข้าก็จะกลายเป็นาศาสดาจา น, า น, นาศาสด า, สาศาสดาแบบไหนาศาสดาที่พาปฏิบัติในลทัทธิแพและลัทธิไก่ลทัทธิสุนัขเคยได้ยินนะถ้าเป็นอินเดียเนี่ยนะทำตัวเลียนแบบสุนัขเปะ๊ะเลยเนี่ยนะจะกินก่อนเห่าก่อนเลียก่อนอยงงมีการเลียทำตัวเหมือนวัวเปะ๊ะหมดนี่นะ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 ทำยังไงจะสลัดออกจากความคิดได้ความคิดอาศัยอะไรปัจจัยจึงเกิดขึ้น็นไก็ค่อยๆศึกษากันต่อไปเนาะวันนี้คงใช้เวลาเท่านี้ว่ายึดถือสัญญาขันนี่ไม่ไม่ทราบว่าจะมีมีต้องสลับรูปประรเวทนาขันอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋าอ สำคัญสัญญาขันว่าเป็นอัตราเฉพาะสัญญาขันเออเจนพรจ ะ, จะไม่สลับเวทนาขันเออไม่ไม่สลับเจรไม่สลับเพราะตรงนี้อรตะกถาท่านอธิบายยกแต่เฉพาะสัญญาขันคือในสูตรนี้นี่เราจะต้องนึกออกนะว่าแสดงโดยมีส่วนเหลือนะเป็นการแสดงธรรมโดยมีส่วนเหลือเพราะว่าแสดงตามอัธยาศัยของผู้ฟังด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าสัญญาเป็นอัตรานะถ้าตามหลักเนติแล้ว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 อันวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะก็ここะให้รักษาใจให้เป็นบุญเนอย่าไปสงสัยแบบนี้เลยบาปทั้งนั้นนะ